การปฏิบัติธรรมสาระของมันเนี่ยก็คือการเปลี่ยนการพลิกการทวนกระแสเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนชีวิตนะพลิกอะไรก็พลิกมุมมองทวนอะไรก็ทวนกระแสนะถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยชีวิตเราไม่เปลี่ยนมุมมองเราไม่พลิกนะ หรือว่าเรายังเดินตามกระแสโลกนะหรือว่ากระแสกิเลสเนี่ยอันนี้ก็ไม่เรียกว่าได้ปฏิบัติธรรมอาจจะปฏิบัติในรูปแบบนะเช่นเวียนเทียนทอดผ้าปา่าไสบาสนะแต่ว่าเข้าไมถึงสาระของมันนะเราก็ต้องถามตัวเองว่าเราปฏิบัติธรรมมาอาจจะเรียกว่าตั้งแต่เล็ก หรือว่าบางคนก็เข้าวัดตอนดุ่มสาวหรือว่าเมื่อมีอายุแล้วเนี่ยจะยังไงก็แล้วแต่ถามตัวเองใครครวนตัวเองนะว่าชีวิต เ, เปลี่ยนบ้างไหมนะบุ่มองเราได้พลิกบ้างหรือเปล่าหรือว่าเรายังเดินตามกระแสโลกอยู่นะ กระแสโลกกระแสกิเลสเนี่ยมันก็อันเดียวกันนะั่นนะทวนกระแสเนี่ยทวนกระแสโลกทวนกระแสกิเลสเป็นยังไงนะก็อย่างเช่นว่านะเอาความถูกใจเป็นหลักอถ้าปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราต้องเอาความถูกต้องเป็นหลักนะเอาความถูกใจเป็นหลักก็เช่นว่าเห็นของนะตามห้างเนี่ยอยากได้ถูกใจก็ ไปคว้ามาบางคนก็คว้าด้วยการขโมยแต่ว่าถึงแม้จะคว้ามาด้วยการซื้อมันก็จะไม่ถูกต้องก็ได้นะไม่ถูกต้องในแงๆที่ว่ามีของเยอะแล้วนะไม่มีที่เก็บแล้วนี่เท่าความถูกต้องเป็นหลักก็ไม่ซื้อนะเพราะว่ามันมีเยอะแล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้เบลือเงิน แต่ถ้าความถูกใจเนี่ยเห็นก็คว้ามาเลยนะมีเงินก็ซื้อไม่มีเงินก็ไปไปกู้มาหรือแม่ก็ใช้เครดิตการ์ดนะเอาเงินจากอนาคตมาซื้อถ้าทํางนี้เลยว่าเอาถูกใจเป็นหลักไม่ได้คํานึงความถูกต้องเวลาใครพูดอะไรเขาวิจารณ์แทนที่จะดูว่าเขาพูดถูกต้องไหมเออพูดถูกต้องก็ไปแก้ไข ก็เอาว่าถูกใจเราหรือเปล่านะถ้าไม่ถูกใจเราก็ด่ากลับทางที่ที่เขาพูดมาอาจจะถูกต้องนะมีประโยชน์นะคนที่ปฏิบัติธรรมก็ไม่ปฏิบัติธรรมมันต้องต่างกันตรงนี้นะก็คือใครว่าอะไรมานะถ้าปฏิบัติธรรมนี่ก็จะไม่โกรธง่ายจะไม่ตอบโต้ไปแต่จะกลับมาพิจารณาว่าถูกต้องไหมทาไมปฏิบัติธรรมเขาว่ามาก็ด่ากลับหรือว่า เวลาเขาพูดนินทาใส่ร้ายคนบางคนที่เป็นคู่แข่งของเราหรือว่าเป็นคนที่เราไม่เราอาจจะไม่ชอบนะถ้ า, าความถูกต้องเนี่ยนะก็จะไม่เห็นดีเห็นงามกับการพูดจาแบบนั้นเพราะว่าเป็นการใส่ร้ายแต่คนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยพูดอย่างนั้นได้ยินมแล้วก็ถูกใจนะ เขาใส่ร้ายคนที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็ยิ่งชอบเขาไปใหญ่ถูกใจเรานะถ้าคนที่มีความถูกต้องมีความเป็นธรรมก็ก็จะไม่เห็นด้วยนะก็จะทักท้วงว่าพูดอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะมันใส่ร้ายเขาหรือว่าใครทำความดีทำความดีมากกว่าเราเด่นกว่าเรา ถ้าถูกต้อง น, นะถ้าคนที่คนึงความถูกต้องก็จะอนุโมทนาหรือมีมุทิตาจิตเขาได้ดีก็มุทิตาจิตให้เขาแต่ถ้าเอาความถูกใจเอากิเลสเป็นหลักนี่ก็จะอิจฉาหรือไม่พอใจเขาเพราะว่าเขาเด่นกว่าเรานะดีเกินหน้าเกินตาเราเนีย่ยมันต่างกันนะระหว่างปฏิบัติธรรมกับไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือว่าปฏิบัติธรรมแต่ในรูปแบบแต่ไม่เข้าถึงสาระ คนที่ปฏิบัติธรรมก็จะเอาความถูกต้องเป็นหลักนะคนที่เดินกระแสธรรมก็จะไม่เอาความถูกใจแต่ถ้าเดินตามกระแสะโลกก็จะเอาความถูกใจเป็นหลักอันที่พูดมาสักครู่มันก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมนะที่แสดงออกมาเป็นเรื่องของความดีความชั่วถ้าถูกใจก็มักจะทำในสิ่งที่ไม่ดีถ้าเอาคำนึงความถูกต้องมันก็จะทาหนึ่งแต่สิ่งที่ดีแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ย สาระของธรรมเนี่ยมันมีอานิสงส์มากไปกว่า น, นั้นมันมีผลในการเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของเราเปลี่ยนมุมมองนคือถ้าเป็นถ้าไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะกระแสโลกก็คือว่าฝังใจอยู่กับอดีตหรือไม่ก็ใจลอยไปอนาคต น, นี่กระแสโลกเป็นอย่างนั้นนะคนส่วนใหญ่ ก็จะเป็นอย่างนั้นหรือพวกเราเองก่อนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มักจะนึกถึงเรื่องอดีตนะหรือไม่ใจก็ลอยไปอนาคตอาจจะเป็นการฝันหวานถึงภาพอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหรือนึกถึงความทุกข์ภาระที่กำลังจะตามมาก็เกิดความวิตกกังวลคนเราทุกเนเหเนนีนะ ใจลอยไปอดีตรหรือว่าไปจมอยู่กับอนาคตแต่ถ้าเดินกระแสธรรมนะมันจะสวนทางกันนะจะมาใส่ใจอยู่กับปัจจุบันนะเราปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเราจะให้ความสำคัญกับการอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับปัจจุบันก็คือว่ารับรู้สิ่งที่กําลังทําอยู่ในขณะนี้ในแต่ละขณะเช่นกําลังอยู่ที่ศาลานี่กําลังฟัง ใจเราก็รับรู้อยู่กับการฟังอดีตมันจะเป็นอย่างไรก็ไม่สนใจอนาคตจะเป็นอย่างไรก็วางไว้ก่อนแต่ไม่ได้แปลว่าไม่สนใจอดีตไม่สนใจอนาคตนะอาจจะนึกถึงอนาคตแต่เพื่อมากระตุ้นให้ทำความเพียในปัจจุบันนะการอยู่กับปัจจุบันก็รวมถึงการทำความเพียด้วยในขณะนี้ อย่างเช่นมีพุทธพาษิตว่าเนี่ยความเพียรเป็นสิ่งที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม่พรุ่งนี้นะผู้เจ้าแนะนำให้เจริญมรณาสตนะิก็คือนึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับเราในวันข้างหน้านึกไปทำไมนะมันเป็นอนาคตนึกเพื่อจะให้เราเนี่ยมาเห็นความสำคัญของการทำปัจจุบันให้ดีจะได้เกิดความเพียรตั้งแต่วันนี้นะ การอยู่กับปัจจุบันก็รวมถึงว่าการรับรู้รู้ทันนะกายใจนะที่กําลังเป็นไปในปัจจุบันนะไม่ต้องสนใจสิ่งนอกตัวมารับรู้กายและใจที่กําลังเป็นไปทำอะไรใจก็รู้นะถ้าเป็นการกระทําทางกายหรือว่าใจคิดนึกไปนะเศร้าโศกเสียใจโกรธโมโหหงหุดหงิดก็รู้ทันนะรู้แล้วก็ดูมันนะ ไม่ต้องทําอะไรกับมันก็ได้แค่ดูดูมันเฉยๆอย่างทีนะ่เราคงได้สาธยายนะบทสวดบนตอนหนึ่งนะผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้ น, น, นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงันคอนแคลนขอควรพ่อคว ร, ควรอาการเช่นนั้นไว้ถ้าเราเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยนั่นคือว่าเราอยู่กับปัจจุบันนะเรา ไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยก็ได้นะแค่เห็นมันว่ามันปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าจะเป็นความปวดเวทนาที่เกิดขึ้นขณะ น, นี้หรือว่าเป็นอารมณ์เศร้าหมองที่เกิดขึ้นก็รู้ทันมันแค่นี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วและถ้าพิจารณาดูก็รู้ว่าไอ้ที่เศร้าเนี่ยราวะใจไปอยู่กับอดีตไอ้ที่โมโหโกรธทางหงุดหงิดก็เพราะว่ายังวางเรื่องเจ็บแค้นในอดีตไม่ได้นะ หรือที่หนักอกหนักใจเพราะไปวิตกกับเรื่องอนาค ต, ตถ้าเอาใจมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับงานที่ทำเนี่ยมันก็ไม่ต้องเสียใจยไม่ต้องเศร้าโศกไม่มีความวิตกกังวลอะไรจะมารบกวนหรือถึงมันเกิดขึ้นก็ให้ถือว่านี่คือธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็ให้สักแต่ว่ารู้ทันมันรู้เฉยๆแค่นี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วเดิน ทวนกระแสโลกนี่ยังหมายถึงว่าการให้ความสำคัญกับการประกอบเหตุนะกระแสโลนี่ก็จะเป็นในเรื่องผลนะทำอะไรเนี่ยก็จะนึกถึงแต่ผลที่จะเกิดขึ้นว่าจะดีหรือไม่ดีนะจะชนะหรือแพ้นะถ้าแพ้ไม่ทำนะแต่ถ้าชนะถึงจะทำไอ้ชนะนี่ก็ไม่ได้พิจารณาว่ามันถูกใจกหรือถูกต้องนะแต่ว่านักปฏิบัติทำเนี่ย แต่ในเรื่องการประกอบเหตุทำเหตุให้ดีผลเป็นอย่างไรเอาไว้ก่อนนะประกอบเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะในเรื่องความเพียรศนะาสนาพุทธในศาสนาแห่งความเพียร น, นะชื่อหนึ่งของพุทธศาสนาเนี่ยสมัยพุทธกาลก็ ค, คือวิริยะวาทหรือวิริยะวาทะก็คือคําสอนเกี่ยวเรื่องความเพียรพระเจ้าก็ตัดอยู่เสมอนะว่า บุคคลล่วงทุกได้เพราะความเพียรนะถ้าเราทําความเพียรเนี่ยเราจะเน้นในการประกอบเหตุนะทําเหตุให้ดีส่วนอนาคตส่วนผลเนี่ยเป็นเรื่องอนาคตนะผลมันจะเป็นยังไงเอาไว้ก่อนเราขอทําเหตุให้ดีไอการที่ประกอบเหตุให้ดีก็คือการอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละก็คือการทําปัจจุบันให้ดีที่สุดอันนี้มันทวนกระแสโลนนะกระแสโลกนี่ก็จะเน้นแต่เรื่องว่าทําไงถึงจะ ให้ได้ผลออกมาอย่างที่ต้องการอยากรวยก็คิดแต่ว่าทำไงจะทำไงถึงจะรวยเร็วโดยที่ไม่ได้สนใจการประกอบเหตุแทนที่จะขยันนะก็เอาเล่นการพนันหรือไม่ก็ไปบนบานศาลกล่าวไปศาลพระพรมไปศาลพระอินทร์บ้างอันนี้เป็นพวกที่เน้นเรื่องผลหรือถ้าเป็นนักเรียนอยากได้คะแนนดีอยากได้เกรดดี ก็ไม่เน้นการประกอบเหตุไม่เน้นการทําความเพียรแต่ว่าใช้ทางลัดนะเช่นไปตัดแปะบ้างละจาก google โกงข้อทุจริตในการสอบบ้างละนะอันนี้เราว่าไม่ไม่เน้นการประกอบเหตุนะหรือไม่เน้นการทําเหตุให้ดีแต่ชาวพุทธเนี่ยเราจะทําเหตุให้ดีผลนั้นเอาไว้ทีหลังเพราะเชื่อว่าถ้าทาเหตุให้ดีแล้วเนี่ย ผลมันออกมาดีเองดนั้นถ้าอยากให้ผลดีนะี่ยก็ไม่ต้องไปใส่ใจกับผลมากให้ทําเหตุให้ดีนะเวลาลูกกลับมาจากการสอบ ก, ก็จะถามลูกว่าเป็นยังไงแทนที่จะถามว่าได้คะแนนเท่าไหร่ก็จะถามว่าตั้งใจเรียนไหมนะขยันเรียหรือเปล่านะอันนั่นแหละคือคําถามตามแนวชาวพุทธคือในเรื่องความขยันมากกว่าในเรื่องผลนะ เกรดไม่ดีก็ยังไม่สําคัญเท่ากับว่าขยันหรือเปล่าไปแข่งฟุตบอลมาก็ไม่ได้ถามว่าชนะหรือเปล่านะแต่ถามว่าเป็นยังไงนะตั้งใจตั้งใจเล่นไหมขยันไหมสู้เขาไหวไหมนะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นเล่นตามกระแสโลกก็จะถามว่านี่ยชนะเขาหรือเปล่านะถ้าลูกบอกว่าไม่ชนะแพ้ก็จะว่าลูกนะว่าไม่ได้เรื่องนะ ทังที่ลูกอาจจะขยันก็ได้ทําเต็มที่สู้ยิบตาจนนาชีสุดท้ายเนี่ยอันนี้ตังหาที่ควรสรรเสริญกะสายโลกเนี่ยเขจะในเรื่องการการมีการได้การครอบครองนะมีมากๆแต่กระสายธรรมเนี่ยจะในเรื่องการสละนะเริ่มต้นด้วยการให้นะก็คือทานนั่นแหละให้สิ่งของนะ ได้เท่าไหร่เนี่ยยิ่งยิ่งได้มามากเท่าไหร่ก็ยิ่งสละมากเท่านั้นนะเพราะว่าการสละเนี่ยนะมันเป็นที่หมายความสุขไอ้การได้มาเยอะๆเนี่ยมันทำให้มีความสุขกายนะแต่ว่าใจไม่สุขแต่ว่าการสละออกไปเนี่ยนะยิ่งสละมากเท่าไหร่และสละอย่างถูกวิธีเนี่ยก็คือก็จะได้รับความสุขสละอย่างถูกวิธีคืออะไรก็คือฝึกการปล่อยวางนะ นะปล่อยวางนะถ้าให้ทานแต่ว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้จักปล่อยวางกับให้ทานเพราะอยากจะได้มากๆนี่ก็ไม่ถูกต้องนะอันนี้ก็เรียกว่ายัางทำตามกระแสโลกอยู่อุตจร์ตรัว่าทานเนี่เป็นเครื่องกำจัดความตนหนีก็คือกำจัดความโลกนั่นแหละถ้าให้ทานแล้วสละสิ่งของแต่ความโลกมากขึ้นในใจอันนี้เรียกว่ายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะยังเป็นการเดินกเดินตามกระแสกิเลสอยู่ ถ้าเดินทวนกระแสกิเลสเนี่ยนะไม่ใช่เพียงแต่ให้ด้วยวัตถุนะแต่ว่ายังสละออกไปที่ใจด้วยก็คือปล่อยวางไม่ยึดติดไม่ปรารถนาจะได้อะไรนะเนเรื่องความมุ่งที่กาจัดความโลภนะให้ทานแต่ว่ายังอยากจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินทองเป็นความร่ำรวยนะถวายสิบอยากได้ร้อยถวายร้อยอยากได้ล้าน่เนี่ย แสดงว่าฐานนะั้นไม่ได้กำจัดความตนหนีเลยนะมันยังไม่ได้เป็นไปเพื่อการละแต่มันเป็นไปเพื่อการเอาอันนี้เรียกว่าทำให้ปฏิบัติทำในรูปแบบแต่ว่าสาระเข้าไม่ถึงก็คือว่ายังไม่ได้เดินที่การการสละการวางหรือว่าการให้อย่างแท้จรงิงกระสายโลกเนี่ยเป็นในเรื่องการแบกนะการแบกการยึดนะทั้งที่ไอสิ่งที่แบก นะมันก็ไม่ได้จําเป็นไม่ต้องเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเสมอไปนะเราไม่ได้แบกเฉพาะเงินทองชื่อเสียงกติยศหรือว่ายึดเอาไว้ไม่ยอมปล่อยเท่านั้นนะไอ้สิ่งที่ให้ความทุกข์กับเรานี่ก็ยึดนะความเศร้าโศกความโกรธความเสียใจความรู้สึกผิดความอิดชา้าเราก็รู้ใช่ไหมว่าอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันไม่ดี นะมันทิมแทงใจมันเผารนใจนะแล้วแบกไว้ทําไมนะแต่ว่าวิสัยทางโลกเนี่ยก็จะแบกเอาไว้โกรธใครนี่ก็จะไม่ยอมให้อภัยนะยิ่งอิจฉาใครก็ยิ่งคุ้นคิดนะแต่ว่าจะเพิ่มพูนความอิจฉาให้มากขึ้นเวลาเศร้าโศกก็จะจมหนึ่งอยู่่กับความเศร้าฟังแต่เพลงเศร้านั่งเจ้าจุกนะ อันนี้เรีย ว, ว่ายุดนะแบกนะแต่ว่ากระแสะธรรมเนี่ยคืออะไรนะคือปล่อยนะปล่อยไม่เพียงแต่สละของดีที่ได้แก่ทรัพย์สมบัติที่ให้ความสุขแก่ตนและผู้อื่นเท่านั้นแต่งรู้จักปล่อยรู้จักวางนะสิ่งที่ทําความทุกให้แก่จิตใจคนเราท้ารักตนเนี่ยนะรักตัวเองอแท้จริงเนี่ย มันจะไม่ยึดเอาไว้นะไม่แบกเอาไว้ไมีแต่จะปล่อยอย่างเดียวนะเพราะว่าการแบกการยึดในเป็นของเป็นของหนักมันทำความทุกข์มาให้อุทจาตรัสว่าเนี่ยคนผ่านปัญญาสามย่อมทำกับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูนะหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าไม่เพียงแต่ทำชั่วผิดศีลเท่านั้นนะ แม้แต่คนที่ไม่ผิดศีลเนี่ยก็สามารถจะทำกับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูได้ก็คือว่าเก็บความทุกข์เอาไว้เก็บอารมณ์ที่เป็นอกุศลเอาไว้มีความโกรธก็เก็บหุเก็บเอาไว้ห่วงแหนไม่ยอมปล่อยจนกระทั่งความดันขึ้นจนนอนไม่หลับนะเวลามีความเศร้าโศกแทนที่จะรู้จักปล่อยรู้จักวางก็เก็บมันเอาไว้แบกมันเอาไว้นะจนกระทั่งบางทีไม่ยอมกินไม่ยอมนอน นะไม่ยอมพักผ่อนะเหมือนกับว่าจะทำร้ายตัวเองคนเราถ้ารักตัวเองเนี่ยนะจะไม่ทำกับตัวเองแบบนั้นเมื่อรู้ว่าแบกของหนักก็จะต้องปล่อยนะถ้าเดินตามกระแสธรรมนี่นะมันจะปล่อยนะนจะปล่อยแต่ไม่ได้แปลว่าปล่อยปดและเลยนะความเพียรยังทำอยู่แต่ว่าใจเนี่ปล่อย ทำความเพียรอย่างที่พูดไว้สักครู่เนี่ยประกอบเหตุให้ดีดให้เต็มที่แต่ว่าวางนะวางอะไรนะวางผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นมาก็วางเอาไว้ก่อนจะได้รางวัลไม่ได้รางวัล น, นะก็ไม่สนใจทำปัจจุบันให้ดีประกอบเหตุเต็มที่ด้วยความเพียร น, นะจะไปเข้าใจว่าวางวางเนี่ยคือปล่อยปละละเลยนะ ไอ้ที่ปล่อยควรจะปล่อยวางก็คือความทุกข์อารมณ์อกุศลที่มันกรอกลุ่มค้องงนจิตใจเดินตามกระแสธรรมเนี่ยยังหมายถึงการที่หมั่นมองตนอยู่เสมอนะไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้เพราะว่ารู้จักหมั่นมองตนแต่กระแสโลกเนี่ยนะเขาจะส่งจิตออกนอกมีปัญหาก็ไปโทษคนอื่นก่อน มีปัญหาก็โทษคนอื่นว่าเขาพูดไม่ดีกับเรานะเขาไม่สนใจฉันเลยนะแต่ไม่เคยถามตัวเองเลย ว, ว่าแค่นี้จะไปโกรธทำไมนะทำไมต้องโกรธเพียงแค่เขาพูดอย่างนั้นกับเราเพียงเพราะเขาทำอย่างนั้นกับเราคนเราเพอมีปัญหาเนี่ยมักจะโทษคนอื่นนะไม่ได้กลับมามองตนเราคิดแต่จะให้คนอื่นเขาทำดีกับเราคิดแต่จะไปแก้ไขเขาแต่ลืมแก้ไขตัวเอง หรือมอง ว, ว่าปัญหาอยู่ที่เรานะหลวงพ่ะชาท่านพูดไว้ดีนะบอกว่าเวลามีหลุมมันนะหลุมนะลมนะแล้วเราล้ว ง, วงเอามือลวงเข้าไปในหลุมอนะ่ะถ้ามือเนี่ยล้วงไปไม่ถึงก้นหลุมเนี่ยก็มักจะโทษว่าหลุมมันลึกแต่ไม่ค่อยมองว่าเป็นเพราะแขนเราสั้นนะเอาแต่โทษว่าหลุมลึกนะแต่ไม่เคยมองเลยว่าเป็นเพราะแขนเราสั้น อันนี้มันสะท้อนอะไรสะท้อนว่าเนี่ยไม่ค่อยได้คนเรานี่ไม่ค่อยกลับมามองตนเท่าไหร่มีปัญหาก็ไปเพ่งโทษที่ข้างนอกนะเวลาทุกข์ใจเนี่ยก็ไปโทษเจ้านายไปโทษลูกน้องไปโทษเพื่อนนะโทษคนแวดล้อมว่าเขาพูดไม่ดีกับเรานะเขาไม่สนใจเรานเะขาไม่เข้าใจเราแต่ไม่เคยถามตัวเองเลยว่าเราเข้าใจเขาหรือ ย, ยัง อย่าว่าแต่เข้าใจเขาเลยนะแม้แต่เข้าใจตัวเองเนี่ยเราเคยถามไหมว่าเราเข้าใจตัวเองเราหรือเปล่านะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามันมองตนหรือว่ามันดูแลจิตใจตัวเองเนะเราก็จะพบว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่สนใจรักษาใจของเรานะไม่มีใครทําความทุกข์ให้กับเราได้นะถามว่าใจเราไม่ร่วมมือด้วย หรือไม่เออ อ, อหอ่หมกที่พูดนี่หมายถึงทุกใจนะส่วนทุกกายเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งทุกกายนี่คนนึ่อาจจะทํานะอาจจะเป็นเพราะแดดอาจจะเป็นเพราะฝนอาจจะเป็นเพราะเชื้อโรคนะแต่ทุกใจเนี่ยนะมันเป็นเพราะใจเราเนี่ยเปิดช่องให้เข้ามาให้ความทุกข์เข้ามาเล่นงานย่ำยีจิตใจเรา ถ้าหมันมองตนเนี่ยนะมันจะเห็นแล้วว่าเนี่ยทุกพราะวางใจผิดนะทุกเพราะไปแบกเอาไว้นะเวลาแบกหินหนักเนี่ยก็โทษว่าหินทําไมมันหนักแบบนี้นะคนหนึ่งเขาแบกหินเบากันทั้งนั้นทําไมเราหินเราหนักเหลือเกินแต่ไม่ค่อยถามแล้วว่าเราแบกทําไมนะแบกทาไมไปโทษว่าหินหนักหินหนัก นะมันผิดตั้งแต่ว่าไปแบกมันแล้วแล้วแบกไปแล้วเนี่ยนะก็ยังแก้ตัวได้นะด้วยการวางมาซะก็ยังไม่ยอมวางนี่เราผิดสองต่อเลยนะผิดที่ไปแบกแล้วก็ผิดที่ไม่ยอมวางแล้วก็ยังไม่รู้อีกนะก็ยังไปโทษว่าเป็นพ่อหินหนักหินหนักหลายคนก็บ่นว่าปัญหามันเยอะปัญหามันหนักเหลือเกิน แต่ไม่ค่อยถามว่าแล้วแบกไปทำไมปัญหานี้เขามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กลุ่มนะถึงเวลานอนก็วางซะถึงเวลากินก็วางซะถึงเวลาอยู่กับลูกถึงเวลาไปดูหนังฟังเพลงก็วางซะไม่ใช่แบกเอาไว้นี่ก็เหมือนกันนะนี่มันก็ไม่ใช่เป็นของดีนะแต่ทำไมแบกมันไม่ได้แบกไว้ที่มือนะแบกไว้ในใจนี่เขามีไว้ชำระนะไม่ได้มีไว้ไว้แบกนะ ใช้ไม่เป็นนะเนี่ยถ้าเราหันมามองตัวเองเราจะพบเลยนะาโอ้มันเป็นเพราะเราไม่มองไม่ดูใจตัวเองนะกระแสะโลนี่มันเพ่งออกนอกกระแสะในกระแสธรรมนี่เขากลับมาดูใจให้ลวงพิจน า, าดูนะอกระแสธรรมกับกระแสะโลนี่มันสวนทางกันนะถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเรายังคิดเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมชีวิตเราไม่เปลี่ยนเลยนี่แสดงว่าเรา จับสาระการปฏิบัติทําไม่ได้มาเข้าวัดเนะข้าวัดสิบปียี่สิบปีสามสิบปีก็ยังปล่อยชีวิตไปตามกระแสโลกเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะเจริญได้เจริญในที่นี่หมายถึงเจริญในความสุขนะไอ้เดินตามกระแสโลกเนี่ยอาจจะประสบความสําเร็จร่ํารวยมีชื่อเสียงนะมีชดถาบรรดาศักดิ์แต่ว่าความสุขไม่ได้มีเลยนะส่วนเดินกระแสธรรมเนี่ยนะ อาจจะไม่ได้ร่ำรวยอาจจะไม่มีชื่อเสียงไม่มีบริษัทบริวารมากแต่มีความสุขนะลองถามตัวเราเองนะว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเราชีวิตจิตใจรเราไปทางไหนนะไปอยู่กับไปให้ความสำคัญกับความถูกใจมากความถูกต้องหรือเปล่านะฝังใจกับอดีตหรือว่าปล่อยใจลอยกับไปในอนาคต แต่ไม่สนใจที่จะอยู่กับปัจจุบันหรือเปล่านะคิดแต่จะเอาคิดแต่จะมีคิดแต่จะสะสมแต่ไม่รู้จักสละไม่รู้จักให้เอาแต่แบกเอาไว้ไม่ยอมวางหรือว่ามุ่งโทษคนโน้นคนนี้ส่งจิตออกนอกแต่ว่าไม่กลับมาดูใจของเรานะคิดแต่จะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นจัดการคนอื่นเรียกร้องคนอื่นเปลี่ยนแปลงแต่ว่าไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ไม่เคยคิดที่จะนะเปลี่ยนมุมมองของตัวเองหรือว่าไม่คิดแม้กระทั่งดูแลรักษาใจไม่ให้ความทุกข์เข้ามาย่ำยีบีทานะถามตัวเองนะหลายคนจะกลับไปวันนี้กลับบ้านวันนี้ก็ลองถามตัวเราเองดูว่าเนี่ยที่ผ่านมาเราที่ว่าเราปฏิบททัติทมปฏิบัติทมเนี่ยทาถูกต้องไหม หรือถ้าอยากจะพิจารณาว่าเราปฏิบัติธรรมได้ก้าวหน้าแค่ไหนก็ให้มาดูตรงนี้แหละนะเอาที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมาเป็นเครื่องวัดว่าเนี่ยเอาจริงๆแล้วนี่เราเราทวนกระแสะหรือเปล่านะนะหรือว่าเราตามกระแสะตามกระแสะโลกตามกระแสะกิเลสนะถ้าปฏิบัติธรรมจริงๆันต้องทวนกระแสนะทวนกระแสะโลกทวนกระแสะ ก, กะสะิเละสะอย่างที่ว่ามา อ่ะแล้วก็เช้านี้ก็เท่านี้นะ